จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันสุทีส11อมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบกเป็นวันพระวันธรรมสวัสวิวันฝังธรรม วันที่สาธุชนพุทธบาิษัตว์ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างสารานาสร้างที่พึ่งให้แก่ใจเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นที่พึ่งให้แก่ใจได้นอกจากพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นนอกจากนั้นแล้วเป็นที่พึ่งของร่างกายเท่านั้นเอง แล้วก็เป็นที่พึ่งชั่วคราวเพราะไม่สามารถที่จะรักษาร่างกายให้อยู่ไปตลอดไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายได้ mm hmm. ส่วนใจถ้าหลงยึดติดกับร่างกาย mm hmm. ก็จะต้องทุกขทรมานกับความแก่กับความเจ็บกับความตายของร่างกายแต่ถ้าใจมีพระรัตนตรัย มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาารณะเป็นที่พึ่งใจจะไม่เดือดร้อนกับความแก่กับความเจ็บกับความตายของร่างกายแต่อย่างใดการที่เราจะมีพระรัตนตรัยไว้ปกป้องรักษาใจเราไม่ให้ทุกข์กับสิ่งต่างๆได้เราจำเป็นจะต้องศึกษาและปฏิบัติ ตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราถึงจะได้พระรัตนตรัยที่แท้จริงขณะที่เราเกล่าวหรือเปล่งวาจาว่าพุทธธรธรรมังาสรารนังกระชามี้เป็นเพียงการแสดงเจตนารมเป็นการแสดงเป้าหมายของเราว่าเราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา แต่การที่เราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราได้เราต้องน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาประดิษฐานอยู่ภายในใจของเราถ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังอยู่ข้างนอกใจของเราอยู่ก็เป็นเหมือนกับยารักษาโรคที่ยังอยู่ข้างนอกร่างกายต่อให้ยาดียาวิเศษเพียงไรก็ตาม ถ้าเราไม่ได้รับประทานยายานั้นก็จะไม่สามารถรักษาโรคของร่างกายให้หายได้ฉันใดความทุกข์ก็เป็นโรคของใจถ้าเราไม่น้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาภายในใจของเราให้ประดิษฐานอยู่ภายในใจของเราเราก็จะไม่ได้มียารักษาโรคใจ ดังนั้นเราต้องทำความก้าใจให้ถูกต้องว่าพระรัตนตรัยภายนอกนั้นยังไม่ใช่เป็นพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราพระ ร, รัตนตรัยพระสรณะที่เป็นที่พึ่งของเราต้องอยู่ภายในใจต้องเกิดจากการศึกษาปฏิบัติจนบรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาถึงจะมีพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแท้จริงพระรันาตนตรัยภายนอกนั้นเป็นเพียงเครื่องเตือนสติให้เราลำเลึกถึงการศึกษาให้เราลำเลึกถึงการปฏิบัติเพื่อให้เราได้บรรลุธรรมเพื่อให้เรามีธรรมะปฏิสถานอยู่ภายในใจของเราดังนั้นอย่าไปคิดว่าเรามีพระพุทธรูปแล้วเรามีที่พึ่งแล้ว เรามีธรรมะคำสอนหนังสือแล้วเรามีที่พึ่งแล้วเรามีพระอริยสงฆ์สาวกคอยสั่งคอยสอนเราอยู่เรื่อยๆอย่าไปคิดว่าเรามีที่พึ่งแล้วเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าต่อให้พวกเราเกาะชายผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเพียงไรก็ตามแต่ถ้าเราไม่สนใจที่จะศึกษา ที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็เหมือนกับอยู่ห่างไกลจากท่านเป็นโยอแต่ถ้าเราอยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเป็นโยนแต่เราศึกษาเราปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเราบรรลุมีดวงตาเห็นธรรมเราก็อยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าเพราะมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเรานั่นเอง ดังนั้นการที่เราจะไปหาพระพุทธเจ้าถึงประเทศเอินเดียนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากกว่าการจะให้เรามีศรัทธาความเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าสั่งสอนธรรมะที่มีคุณมีประโยชน์กับเราถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราก็จะได้ศึกษาและได้ปฏิบัติ แต่ถ้าเราทิดว่าการได้ไปกล่าพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียนั้นจะทำให้เรามีที่พึ่งขึ้นมาภายในใจของเรานั้นไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดความจริงต้องอยู่ที่การศึกษาพระธรรมคำสอนอยู่ที่การปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจนบรมมนนรลุมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเพราะผู้ใดมีดวงตาเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต นี่คือที่คำสอนที่พระเจ้าทรงตัดไว้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่จะเห็น ต, าตถาคตจะเห็นธรรมได้ก็ต้องเป็นพระเป็นผู้ปฏิสุ ป, ปฏิปโนคือเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนให้ถูกต้องให้เต็มที่ แล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจก็คือมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไรถึงจะเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมก็เห็นอริยสัจส์่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมากนี่คืออริยสัจสีทุกข์ก็คือเห็นว่าทุกข์นี้อยู่ภายในใจของเราสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจของเรานิโรดการดับทุกข์ก็เกิดขึ้นภายในใจของเราเกิดด้วยมัดมัด ก, ก็คือเครื่องมือหรือยาที่เรียกว่าธรรมะโอสถที่จะดับความทุกข์ภายในใจของเราดับด้วยการละความอยากต่างๆนั่นเองถ้าเราเห็นว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์เหมือนกับหมอที่เห็นว่า เชื้อโรคเป็นต้นเหตุของโรคภายไข้เจ็บสิ่งที่หมอจะต้องทำก็คือต้องกำจัดเชื้อโรคพอกำจัดเชื้อโรคแล้วโครคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปเองเช่นเดียวกันกับความทุกข์ใจของเราเราไม่ได้ไปกำจัดที่ความทุกข์ใจแต่เรามากำจัดที่ต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือสมุทยคือความอยาก ที่มีอยู่สามประการด้วยกันคือ 1. ความอยากในการเรียกว่าการมรตันหา 2. ความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตันหา 3. ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตันหานี่คือต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราเราทุกข์ใจไม่ได้ทุกข์ใจเพราะคนนั้นคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราไม่ได้ทุกข์ใจเพราะว่าร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายตายไปของต่างๆนี้ไม่ได้ทำให้เราทุกข์ใจสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจคือความอยากของเราที่อยากจะให้ของเราที่อยากจะให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ที่อยากจะให้ร่างกายของเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต่างาอันนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้าเราไม่มีความอยากแล้ว คนนั้นคนนี้เขาจะเป็นอย่างไรเราจะไม่ทุกข์ใจร่างกายของเราจะแก่จะเจ็บจะตายอย่างไรเราจะไม่ทุกข์ใจความทุกข์ใจอยู่ที่ตัวเราเองไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเพราะฉะนั้นอย่าไปแก้ความทุกข์ใจของเราด้วยการไปแก้ที่คนอื่นเช่นไม่พอใจคนนั้นเขาทำอย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้ก็ไปพยายามไปแก้เขาไปบอกเขาว่าอย่าทา ถ้าเกิดเขาไม่เชื่อเราเขาไม่ฟังเราแล้วเราจะทําอย่างไรเขาก็จะทําอย่างนั้นเขาก็จะพูดอย่างนี้ถ้าเราอยากให้เขาไม่ทําอย่างนั้นไม่พูดอย่างนี้เราก็จะทุกข์ใจเราก็จะไม่สบายใจแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาทําไปตามเรื่องของเขาเขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทาไปเขาอยากจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปไม่ใช่เรื่องของเรา การกระทำของเขานั้นมีผลอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วเพราะเขาจะต้องเป็นผู้รับการกระทำของเขาเองเขาทำดีพูดดีคิดดีเขาก็จะได้รับความสุขความเจริญเขาทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีเขาก็จะต้องได้รับความทุกข์ใจได้รับความเสื่อมเสียได้รับโทษต่างๆไม่ใช่เรื่องของเราหน้าที่ของเราอยู่ที่การทำใจ ของเราไม่ให้ไปอยากกับเขาเท่านั้นเองไม่ให้ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นให้ไม่อยากให้เขอยากทําอย่างนี้ไม่ถ้าเราทําใจได้เราก็จะไม่มีปัญหากับใครการที่เราจะทจําใจได้เราก็ต้องมียายาคือธรรมโอโสถการทําใจก็คือการกําจัดความอยากต่างๆนั่นเอง เหมือนกับการกำจัดเชื้อโรคเราอยากจะหายจากโรคเราก็ต้องหายามารับประทานถ้ายาถูกกับเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคได้โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ก็จะหายไปเช่นเดียวกันกับความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากต่างๆการที่จะทาให้ทุกข์ใจหายไปได้เราก็ต้องมียามารักษา มากําจัดความอยากต่างๆยาที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรารับประทานกันก็นกคือทานศีลภาวนานี่คื อ, อยาที่จะรักษาใจของพวกเราให้หายจากความทุกข์ต่างๆได้ทานก็คือการให้ให้สิ่งที่เป็นของเราอย่าไปให้ของคนอื่นของคนอื่นนี่ ให้ไปจะไม่เกิดจะไม่รักษาความอยากได้จะไม่กำจัดความอยากได้แต่จะทำให้เกิดความอยากมากขึ้นเช่นเวลาอยากจะทำบุญก็ไปเอาเงินของคนอื่นมาทำบุญเช่น<ค><ณ ính>ไปเรียระายไปขอคนนั้นขอคน น, ค น, น, คนี้ให้มาทำบุญกับเรา <sì. S 1> โดยที่เราไม่ได้ฟักเงินออกเลยแนมะนะ้แต่บาทเดียวทำอย่างนี้เราไม่ได้บุญแต่คนที่เขา บริจากมานี้เขาได้บุญเพราะเขาเสียสละเขาเสียสิ่งที่เป็นของของเขาไปเขาตัดความโลภตัดความอยากที่จะได้มันเพราะเขายอมที่จะเสียแต่เรานั่ยละกลับเป็นคนสร้างความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นภายในตัวของเราทุกครั้งที่เราอยากจะทำบุญเราก็เราก็แปลงของเงินของคนอื่นมาทำบุญ เราอยากจะได้เงินมากมาทมาทำบุญทำอย่างนี้เราไม่ได้บุญเพราะเราไม่ได้ตัดความอยากเราต้องเอาเงินของเรานี้ไปทำบุญเราถึงจะตัดความอยากได้เงินถ้าเราอยากได้เงินเราก็จะไม่กล้าทำบุญเราจะเสียดายเงินเสียดายทองของเราเราก็จะหวงเก็บเอาไว้ได้อยากจะได้มีมากขึ้นไป ดัง น, นั้นการทาทานนี้ต้องทำด้วยเงินของเราด้วยของของเราของอันไหนที่เรารักเราหวงมากเท่าไหร่เรายิ่งได้บุญมากขึ้นเท่านั้นเพราะเราจะตัดความอยากในของเหล่านั้นได้ถ้าเราให้ของที่เราไม่รักเราไม่หวงเราก็จะได้บุญ น, น้อยเพราะว่าเราไม่มีความอยากได้ในสิ่งนั้นนั่นเอง เช่นของที่เราจะทิ้งแล้วเราไปให้คนอื่นอย่างนี้เราจะไม่ได้บุญมากนกเราจะไม่มีความสุขใจเหมือนกับการที่เราให้ของที่เรารักมากๆเช mm. ่นสามีหรือภรรยาถ้าเ็าอยากจะไปมีคนอื่นอย่างนี้แล้วเรายกให้เขาไปได้ปล่อยให้เขาไปได้เราจะมีความสุขมากเพราะเราจะไม่ทุกข์ไปกับการจากไปของเขานั่นเอง แต่ถ้าเราหวงและเราไม่อยากให้เขาไปจากเราเราไม่กล้าให้เราไม่มีใจเป็นทานเวลาเขาไปเราจะเสียใจมากเราจะทุกข์มากและเราอาจจะเกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทถึงกลับไปทำบาปฆ่าเขาตายไปก็ได้และเมื่อฆ่าเขาตายไปแล้วเราก็จะกลับมาฆ่าตัวเราตายต่อไปนี่เป็นเพราะใจเราไม่มีทาน แต่ถ้าใจเรามีทานแล้วเราจะไม่ต้องฆ่าตัวตายเราจะไม่ต้องทุกข์ไปกับการจากไปของภรรยาหรือของสามีเราก็จะมีความสุขใจว่าดีเสียอีกตอนนี้เราจะได้มีอิสระภาพเป็นตัวของเราอย่างเต็มที่ตอนที่มีสามีมีภรรยาเราก็เป็นเหมือนมีเจ้านายจะไปไหนมาไหนก็ต้องขออนุญาตต้องบอกกันก่อน และนังทีจะไปคนเดียวก็ไปไม่ได้เพราะเขาจะต้องติดตามไปด้วยเพื่อไปควบคุมดูแลความประพฤติของเราไม่ให้เราประพฤตินอกลู่นอกทางแทนที่จะมีสลภาพเรากลับกลายเป็นเหมือนนักโทษไปแต่พอเขาไม่อยู่กับเราแล้วทีนี้เราสบายแล้วเราจะไปไหนมาไหนเราไปได้ทันที เราจะไปอยู่กับใครที่ไหนเราไปได้ ท, ทันทีนี่คือคนที่มีทานจะมองอย่างนี้จะมองว่าการมีอะไรที่ไม่จำเป็นนี้เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขสิ่งที่เราต้องมีนั้นก็เพียงปัจจัยสี่เท่านั้นที่จำเป็นคือมีอาหารรับประทานมีเครื่องุ่งหง่มมียารักษาโรค มีบ้านที่อยู่อาศัยถ้าเรามีสี่ประการนี้แล้วพอแล้วอย่าไปมีมากกว่านี้เพราะถ้าเรามีอะไรแล้วมากกว่านี้มันจะเป็นภาระทางจิตใจมันจะสร้างความทุกข์ใจให้กับเราเรามีสมบัติเราก็จะหวงจะห่วงไม่สบายใจไม่กล้าทิ้งบ้านไปไหนนานๆกลัวแล้วเดี๋ยวไปกลัวขโมยจะขึ้นบ้านจะมารั ทรัพย์มารักเท่าของต่างๆไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราอย่าสะสมอย่ามีสมบัติมากเกินความจําเป็นให้มีเท่าที่จําเป็นไว้สําหรับเลี้ยงดูร่างกายของเราก็พอแล้วเพราะจะได้ไม่ไปสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเองถ้าเรามีของเราก็จะมีความอยากให้ของเหล่านั้นอยู่กับเรา เราก็จะไม่อยากให้ของเหล่านั้นจากเราไปเวลาเขาจากเราไปเราก็เสียอกเสียใจทั้งๆ ท, ที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีของเหล่านั้นอยู่เลยดังนั้นขอให้เราจงพยายามทำทางกำจัดเข้าของเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆ ท, ที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดูแลรักษาร่างกายของเราอย่าเก็บเอาไว้ เอาไปทำทางแล้วใจเราจะเบิกบานใจเราจะมีความสุขใจของเราจะมีความสงบมีความอิ่มมีความพอจะไม่วุ่นวายกับการไปแสวงหาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเราจะอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายเราจะมีเวลามารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาภาวนากัน นี่คือจุดประสงค์ของการทำทานไม่ได้ทำเพื่อให้มีหน้ามีตาทำเพื่อให้คนเขายกย่องสรรเสริญให้รา ง, รรงวี่รางวัลเช่นคนบางคนเวลาทำทานจะต้องไปเรียกหนังสือพิมพ์มาถ่ายรูปมาเอาไปลงในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าเราได้ทำทานอย่างนั้นอย่างนี้ทำทานอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการทำทานอย่างนี้ เป็นการเป็นการสร้างชื่อเสียงเป็นการสร้างกิเลสตัณหาอยากจะให้คนอื่นเห็นเขาเห็นว่าเราดีเราเป็นคนใจบุญมีความอยากอยากจะให้คนอื่นเขายกย่องสรรเสริญชื่นชมยินดีในตัวเราถ้าเกิดมีความอยากก็จะมีความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่มีใครเขาชื่นชมยินดี กับการทำบุญของเราเราก็จะโปรดเขาเราก็จะเสียใจเราจะไม่สบายใจดังนั้นเราต้องทำทางด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์เราไม่ต้องการอะไรเป็นผลตอบแทนเราต้องการกำจัดของที่มันมีมากเกินไปเพื่อที่มันจะได้ไม่เป็นเหตุทำให้เราเกิดความอยากขึ้นมานั่นเองอเมื่อเราทำทางแบบนี้แล้ว ใจของเราจะมีความเมตตาเพราะเราทำเพื่อให้ผู้อื่นเขามีความสุขดังนั้นเวลาเราจะทำอะไรเราจะคำนึงเสมอว่าการกระทําของเรานี้ไปทำให้คนอื่นเขาทุกข์เขาเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าเขาทุกข์เขาเดือดร้อนเราก็จะไม่ทำเราก็จะไม่ชอบทำบา เราก็จะสามารถรักษาศีลได้อย่างสบายสาเหตุที่คนไม่สามารถรักษาศีลได้ก็เพราะความอยากได้เงินมากนักนั่นเองเวลาทรหมากินก็มักจะทำแบบที่ไม่สุจริตแบบโกงแบบช่อโกงในรูปแบบต่างๆช่อโกงตาช่างบ้างตาช่างตั้งให้มันแก่เขาน้าหนักจริงของไม่ได้เท่ากับ ของของน้ำหนักที่ควรจะได้หรือใส่ของที่ไม่ดีผสมปนเข้าไปเช่นของที่ถวายในกระแปผงสังฆทานเหล่านี้นักจะถูกย้อมแมวกันของที่เราเห็นนั่นจะมีเห็นจะมีอยู่ที่ปากถังเท่านั้นเองแต่ใต้ถังนี้มีแต่กระดาษมีแต่ขวดน้าของที่เราเห็นที่มันมีเพียงเท่านั้นและของที่เราเห็นบางทีก็เป็นของเก่า ของที่ขายไม่ออกเขาก็เอามาจัดเป็นสังคทานขายเราแล้วการขายสังคทานแบบนี้ก็ขายได้เงินง่ายเพราะคนทาบุญไม่กล้าต่อบอกเท่าไหร่ก็ซื้อทันทีนี่เป็นวิธีหาเงินแบบไม่สุดจริตอยากจะได้เงินมากมากก็จะไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้ แต่คนที่ทำทานไม่โลภอยากได้เงินเวลาก็าทำมาหากินก็จะทำมาหากินอย่างสุดเจริเขาจะไม่มีการย้อแมแหนวเอาของที่มีคุณภาพมาขายของที่เสื่อมคุณภาพก็โยนทิ้งไปไม่เอามาขายให้เสียชื่อไม่ให้เกิดโทษกับผู้ที่ซื้อไปรับประทานคนที่ใจบุญจะทำอย่างนี้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเรา ต้องทำทานกันเพราะถ้าเราทำทานได้แล้วเราก็จะรักษาศีลได้เราจะได้มีเวลาออกมาปฏิบัติธรรมได้ถ้าเรายังโลภอยากได้เงินได้ทองเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลมาภาวนาเพราะเราจะต้องมัวแต่หากินอยู่เรื่อยๆหาเงินให้มากๆพอได้เงินมามากก็ต้องเอาไปใช้ เอาไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปดื่มเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆมาใช้มาเก็บเอาไว้มาให้นกบ้านนกหลุมลำในบ้านมาเก็บกบับางทีก็ต้องไปซื้อตู้มาเพิ่มเพราะซื้อเสื้อผ้ามามากเกินไปตู้เก่าไม่มีที่เก็บก็ต้องไปซื้อตู้ใหม่พอใช้เงินมากๆกก็ต้องไปหาเงินมากๆ ก, ก็จะไม่มีเวลามาทาบุญ ไม่มีเวลามารักษาศีลไม่มีเวลามาภาวนาก็จะไม่มีสาระไม่มีที่พึ่งทางจิตใจใจก็จะรุ่มร้อนไปตามความโลภตามความอยากต่างๆต่อให้มีมากน้อยเทยาไรความอยากก็ยังจะไม่หมดไปเพราะว่าถ้าไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีการภาวนาไม่มียาที่จะมากำจัดความอยาก ความอยากจะไม่หมดไปด้วยการมีทรัพย์สมบัติมากมายกองเท่าภูเขาคนร่ํารวยขนาดไห น, นก็ยังมีความอยากอยู่อย่างนั้นอยากถ้ามีเงินน้กก็อยากจะมีอํานาจอยากมีหน้ามีตาอยากมียศอยากมีตําแหน่งอยากอยู่เหนือผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นเคารพนับถือกราบว่าบูชา แต่การแสวงหาลาบยศสารเสริญ น, นี้ไม่ได้เป็นทางที่จะทําให้ผู้อื่นเขากลับไหวเคารพ บ, บูชาเราการที่จะมีให้ผู้อื่นเขากลับว่าเคารพบูชาเราต้องทําทานรักษาศีลแล้วภาวนาจนจิตใจสงบสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความโลภความอยากความโกรธความหลง นั่นแหละจะเป็นเวลาที่คนอื่นเขาอยากจะกราบไหว้บูชาอยากจะเคารพนับถือเราเช่นเรากราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายก็เพราะว่าท่านเป็นคนดีท่านเป็นคนที่ประเสริฐท่านเป็นคนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโลกไม่ทำโทษไม่สร้างปัญหาให้แก่ผู้ นี่ต่างหากคือวิธีที่จะทำให้เราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต้องยิ่งใหญ่ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าจากหนึ่งวันก็เป็นสามวันจากสามวันก็เป็นเจ็ดวันไปต่อไปเราก็จะรักษาได้ทุกวันและเราก็อาจจะอยากจะไปอยู่วัดอยากจะไปบวชอยากจะไปหาที่สงบเพราะอยู่บ้านถ้าอยู่กันหลายคนก็จะวุ่นวาย จะมาลบกวนการทำใจของเราให้สงบแต่ถ้าไปอยู่วัดแล้วเราก็จะได้อยู่คนเดียวอยู่ที่สงบสงัดวิเว้ห่างไกลจากเริ่มเรื่องวุ่นวายต่างๆจิตใจของเราก็จะสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นจนสามารถมีความสงบมีความสุขอย่างถาวรได้นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นพอเรามีความสุขอย่างถาวร พราะเรามีธรรมะแสงสว่างเรามีปัญญามีสมาธิที่จะมาดับตัณหาความอยากต่างๆของเราได้ใจของเราก็จะหายจากความทุกข์ใจของเราก็จะเป็นสุขตลอดเวลาเป็นปรมังสุขขันธอย่างที่ใจของพพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นอยู่กัน ท่านก็เป็นเป็นด้วยการทำทานรักษาศีลภาวนาทานท่านก็สละหมดสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหมดไม่หาเงินไม่ใช้เงินมาหาธรรมะแทนมาหาแสงสว่างแห่งธรรมมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทนจนในที่สุดท่านก็ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประดิษฐานอยู่ภายในใจของท่านท่านก็ไม่ต้อง ไม่ต้องไปแสวงหาพระรัตะนาตายภายนอกอีกต่อไปไม่ต้องไปประเทศอินเดียครูบาจารย์สมัยก่อนท่านไม่ได้ไปประเทศอินเดียกันท่านเข้าไปขําไหนด้วยการทําทานรักษาสิงภาวนาดึงดึงจิตดึงใจให้เข้าไปข้างในให้เข้าไปสู่ความสงบแล้วก็จะเห็นว่าความสุขทั้งหลายอยู่ในใจนี้ความทุกข์ทั้งหลายก็อยู่ในใจนี้ ความทุกก็อยู่ที่ความอยากความสงบก็อยู่ที่ทางศีลภาวนานี่เองนี่แหละคือการเห็นธรรมการมีสาระมีที่พึ่งต้องเห็นด้วยการศึกษาและด้วยการปฏิบัติไม่ใช่เห็นด้วยการไปที่ประเทศอินเดียหรือไปหาพระรูปนั้นพระรูปนี้ไปหาท่านก็จะบอกว่าให้เราเข้ามาหาที่ใจของเราให้เข้ามาข้างใน ให้เข้ามาด้วยการดึงใจเข้ามาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจออกไปหาแสงสีเสียงให้ดึงเข้าข้างในแล้วจะเห็นสิ่งต่างๆที่เลดที่วิเศษนี่คือวิธีสร้างสาระสร้างที่พึ่งถ้าเราถ้าใจเข้าข้างในได้แล้วใจจะไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแก่การเจ็บการตาย ของร่างกายของใครก็ตามของคนอื่นหรือของเราเนื่อการพัดภ้าจากสิ่งต่างๆจะไม่ทําให้ใจของเราทุกได้เลยเพราะเรามีสาระที่พึ่งที่แท้จริงอยู่ภายในใจของเราแล้วนั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการนวัตเพื่อมาสร้างสาระที่พึ่งของใจให้พวกเราได้นำเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติ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 โดยทั่วหน้าการเธอ